เมื่อวานวันก่อนน้ําคงขุนนะในครัวนะเพราะว่าท่อแตกท่อมันก็หมดอายุสังขารเหมือนกันนะไม่ว่าแต่คนเหมือนนั้นท่อก็ตายเป็นเหมือนกันหลวงพ่อส่งน้ําตอนเย็นเอาน้ําทําไมมันไหลค่อยนักวันนี้วะเอาไว้มาส่งน้ําจะไม่เสร็จอ่น้ําหมดเหมือนกันเถอะอ้าวไปไงวะพระคงจะรู้่มั้งคงจะไม่รู้แต่หลวงพ่อองค์เดียวมั้งวะ มันน้ำจะหมดในนาวะพอตรงมาบอกที่ไหนได้มันไปเชื่อมต่อท่อท่อมันแตกหลุดพ่อหลุดท่อสี่นิ้วหลุดเหมือนกันหลวงพ่อเลยโอ้ยทางน้ำสี่ถังเหมือนกันอะสั่งน้ำสี่ถังใหญ่ผ่าวัดศูนย์กลางสี่เมตรสูงถึงเจ็ดเมตรสี่ถังหมดเกลี้ยงเลย ถ้าเป็นเงินคิดเงินค่าสูบน้ําขึ้นถังสี่ถังห่อคงจะหลายพันเหมือนกั น, น <Down S 2> โทโทโทโทโทรอ่ะเดีด๋ยวในซ่นอมแล้วล่ะถามๆดูมันท่อรุ่นไหนนะรุ่นตั้งแต่ที่เริ่มสร้างวัดนะะตั้งแต่เริ่มสร้างใหม่ถามมาได้เทปุนจะเ ม, ม็นไหมเทวังันะ้นแสดงว่าหลวงพ่อในรอบครอบมาตั้งแต่ ทีแรกเลยนะขนาดนั้นมันยังแตกให้ได้เองั้นเถอะเออเวลาแตกเสร็จได้แต่ใ น, นคู่บ่าวค้อนไปทบุทบถึงทุบยากมากเลยเหมือนกันปูนซีเมนต์มันแข็งนอย น, นี่แหละสำรุดชุดโสมไปเรื่อยเดีย๋ยวหลวงพ่อพอได้เห็นวัดวาศาสานาสำรุดชุดโสมแต่ละวัดไปเห็นวัดหลวงปู่แหวนวัดหลวงปู่ใหญ่ วัดปาุรมสมพรวัดหลวงปู่เทศวัดครูบาจารย์วัดหลวงปู่ขาวฮะสมัยท่านอยู่ก็กาาศรัทธาญาติโยมหลังไหลก็ามาช่วยบุรณะไม่มีปัญหาแต่ครูบาจารย์โรงโรยไปจุดตินิพพานไปยังเดือจะพระถูกน้องตาว่าไม่ได้คิดลวงหน้าไว้ก่อนโอ้กว่าจะซ่อม แล้วก็ซ่อมขึ้นมาแล้วก็ไม่ไม่รู้จะซ่อมไปเพื่ออะไรสมัยเมื่อท่านอยู่พระห้าหกสิบองค์หกเจ็ดสิบแปดสิบองค์แต่พอท่านร่วงลับไปแล้วพระยังเหลืออยู่ห้าสี่ห้าองค์แต่นี้นไม่รู้จะซ่อมไปเพื่ออะไรถ้าซ่อมดีขึ้นมาแล้วก็พระก็ห้าองค์สี่องค์จํานวนนั้นจะทํำยังไงจํานวนนั้นนั่นสรุปผุพังไปหมดเลย ทางน้ำทางไฟทางอุปกรณ์อะไรรู้สึกว่าส้ำรูดชุดทมไปหมดไปเห็นวัดแต่ละวัดแล้วก็โอ้หน้าคิดนี่แหละหลวงพ่อเห็นเพียงแต่ท่อแตกท่านั้นน่ะหลวงพ่อก็เตือนแล้วเป็นคำเตือนขึ้ น, นมาเนี่เรื่องวัดวาศาสนานี่ถ้าเราสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้วางแผน อะไรเลยไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ต่อไปภายภาคหน้าเล ย, เยมันจะเป็นภาระไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในการที่จะบำรุงดูแลรักษาถึงจะรักษามาได้สมบูรณ์ก็บพระก็มีสี่ห้าองค์น่จะไปอยู่ได้ยังไงกุฏิห้าหกสิบหลังพระี่สุกก็เป็นอาหารปลวกอาหารหมดเป็นอาหารปลวกอาหารหมดเพราะรักษาไม่ไหว คนนั้นท่านจึงมีชาดกสมัยหนึ่งพราะพุทธเจ้าของเราเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินและก็พ่อพ่อสวรรค์คตไปแล้วก็ลูกชายนก็จะบวชน้องสาวน่จะไปบวชและเอาแม่ไปด้วยและก็บีบริษัทบริวารห้าหกคนไปด้วยกัน มีคนรับใช้มีอะไรนะวะไปก็ไปอยู่ในป่าฮิมพาลเหมือ น, นอยู่ตามลำพังแล้วก็ตอนเช้ามาใครไปหาอาหารได้มาก็ได้เหง้าบัวมาไปได้เหง่าบัวมาก็มาแบ่งเรามีกี่คนหกคนก็แบ่งเป็นหกส่วนตัวเองส่วนหนึ่งกับตัวเองก็คล้ายๆกัน แบ่งแงเสร็จแล้วก่นั่นแหะตังองก็ตังเอาไปเป็นช่องของใครของเราองั้นแต่แต่ในใครได้มาอะไรมาก็ได้ผลไม้ป่ามากมาก็แบ่งแบ่งแบ่งแบ่งหกส่วนแล้วก็ส่วนหนึ่งตัวเองเอาไปแต่นี้ลือีที่เป็นพี่ชายใหญ่ท่านก็บําเพ็ญตะปาแบบปกติอย่างนั้นแหละบาเพ็ญบัพตะปะอย่างรุนแรงใครก็บอกเพ่งอยู่ทั้งวัน กำหนดอยู่ทั้งวันดูจิตใจตัวเองอยู่ทั้งวันภาวนาอย่างจริงจังเหมืองั้นทีนี้ไปกระเทือนไปกระเทือนแท่นศิลาอาศของของพระอินทร์อยู่บนสวรรค์น่นศิลาอาศพระอินทร์จะเทือนจะท้านหวั่นไหวได้เหมืองั้นคือหมายคือแปลว่าถ้าหากว่าพลื้อสีเนี่ยอยกจะเป็นพระอินทร์นะปรารถนาอยากจะเป็นพระอินทร์ อยู่บนสวรรค์แปลว่าพระอินทร์เนี่ยกระเด็นเลยไปงนันเพราะว่าสูวบุญบา ร, รมีของพระฤาษีไม่ได้แต่นี้พระอินทร์ก็เอ๊ะทไมบัลลังก์ของเราเนี่ยทาไมจึงสะทานหวั่นไหวอย่างนี้ว่าเหมือนพระอินทร์ว่าก็เลยมองดูเมืองมนุษย์มีใครว่าอยากจะมาแย่งตำแหน่งของข้าว่าพระอินทร์ก็มองไปไปเห็นพระฤาษีอยู่ในป่า พระฤาษีอยู่ในป่าท่านบํำเพ็ญอย่างเข้มงวดกวดขันเอพระฤาษีองค์นี้ท่านบําเพ็ญได้แล้วท่านจะไปที่ไหนท่านอยากจะเป็นอะไรหรือว่าท่านปรารถนาอยากจะเป็นพระอินทร์หรือจะปรารถนาอะไรเนยะเราควรจะไปสืบสอบดูให้มั่นใจจากนั้นก็พระอินทร์ก็เลยปลอมแปลงตัวลงมาลงมาไปมาขาโมยเอาเอานี่ยแหละที่เขาแบ่งเป็นช่องๆ่างนั้นแหะ ไปขโมยเอาของเนี่ยนะพระฤาษีที่เป็นพี่ใหญ่ม่เน่ให้เป็นพี่ชายใหญ่โม่ไปขโมยออกมาวันที่สองไปขโมยอีกวันที่สามไปขโมยอีกเหมืนนะแปลว่าไม่ได้ขอเขาว่าต้องว่าขโมยทีนนะไม่ได้บอกกล่าวใครนะไปออกมาเลยนะก็ต้องแปลว่าขโมยเหมอนนอะพระอินไปขโมยเอาทีนี้พระฤาษีที่เป็นพี่ชายใหญ่ไปวันแรก ไปเห็นช่องของตนเองไม่มีไม่มีอาหารไม่มีอาหารก็เลยกลับมาเอ๊ะพวกน้องๆพวกบริวารพวกนั่นเนาะเขาคงไม่มีอาหารกินมั้งวันนี้ตัวเองเลยกลับมากลับมาก็บมาถึงสนใจแล้วภาวนาต่อพอไว้ไปวันที่สองอีกไปก็ไม่เห็นอีกเอ๊เขาจะลืมเป็น ครั้งที่สองขนาดดีเลอมันมีอาหารในช่องของตัวเองอีกพอไปวันที่สามอีกแต่ไไปดูอีกไม่เห็นอาหารในในช่องของตนเองอีกแต่เองเอ๊ะถ้าลักษณะนี้แสดงว่าเขาผู้ที่อยู่กับเราเนี่คงจะรังเกียดเดียดสันเราเช่หรือมั้งเพราะนั้นเราควรจะประชุมหาลือกันใครมีความข้องใจอะไรก็ให้พูดออกมาให้ชัดเจน ขนาดลือศีอยู่ในป่าภาวนาได้ฌานขนาดนั้นเลยยังไม่รู้จักใจของหมู่พวกเพื่อนอนี่ยนะเหมือนกันเถะท่นนี่ลือศีก็เลยเรียกประชมุมประชุมก็มีอะไรมีพี่พี่น้องๆ้องพวกธาตุปริวานแล้วก็มีทั้งช้างด้วยเหมือนกันนะช้างป่าที่เขาไปปล่อยมีลิงด้วยแ ถ, แถบนั้นเหมือนกันอยู่ใกล้ๆลือศีก็บอกว่านี่นะพวกเราทั้งหลาย ผมไม่ได้ทานอาหารมาได้3ามวันแล้วใ น, นผมพูดตามตรงผมก็ไม่ได้เสีย อ, อกเสียใจอะไรหรอกแต่ผมพูดให้ฟังแต่ทุกครั้งพวกเราตั้งกติกากันว่าถ้าใครได้อาหารอะไรมาก็มาแบง่แบงๆเป็นช่องๆแล้วก็ผมผมเองก็ได้รับช่องหนึ่งแต่คราวนี้ได้สามวันแล้วผมไม่ได้ทานอาหารใ น, นี้ผมพูดให้ฟังแต่ผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรหรอกแต่ว่าทําไม พี่น้องทุกคนน้องๆหรือว่าพวกเราทุกคนมีการลังเกียจเด็ดสรรผมยังไงถ้าหางว่ารังเกียจเดยดสรรผมก็ขอให้บอกเดี๋ยวว่าผมจะได้หนีออกจากพวกท่านทั้งหลายไปพลฤษีที่เป็นหัวหน้าพูดทางผู้ลองลงไปก็ไม่ใช่นะผมเอาให้ถวายไว้ทุกช่องเหมือนกันนะ่ะท่านไม่ได้รับจริงๆเหรอ คือเสี่ยวไม่ไม่ได้รับพูดน้องสาวว่าเอ้าพี่ไม่ได้รับจริงๆเหรอไม่ไม่ได้รับเอาถ้าไม่ใช่กานแกล้งแล้วเอาให้อยนะไม่ได้รับท่านี้ก็ต่างคนก็ต่างว่าตัวเองได้แบ่งด้วยความสัตด์จริงแตเนี่ยถ้ตั้งจิตอธิษฐานท้งพระเจ้าทางพระเจ้าพี่เอาเอาอยัางไงทางน้องสาวก็บอกว่า เอาถ้าว่าหนูได้ขโมอยอาหารของพี่ไปก็ขอให้หนูได้เป็นอาคกัมเหสีของพระเจ้าเป็นดินแล้วก็มีอัคกัมเหสีหลายๆคนแย่งสามีกันเหมือนกันแ่ทุกพพทุกชาติเหมือนกันเลยแสดงว่าไม่ชอบเหมือนกันคนหนึ่งก็บอกว่าเอาจนถึงลิงกับช้างเหมือนกันแตแล้วก็จนถึงลุกเทวดาเลย อันนี้แต่ละคนก็นตั้งจิตในที่ฐานใครเราแล้วงันถึงให้เข้าสะบดมาครับเลยสะบทสาบานมางั้นแหละตอนนี้มาถึงลิงลิงก็บอกว่าถ้าว่าข้าพเจ้าได้กินเง่าบัวหรือกินอาหารของท่านขอให้ข้าพเจ้าให้คนที่ไปเล่นนครเน่ยจับข้าพเจ้าไปหางูงูเห่าให้เขาลิงเนี่กลัวมากกลัวงูเห่าแต่มจะทํำยังไงได้คนก็ให้ไปจับหางมันบังจับตัวแบบ ง, งูมันก็จะฉกเอาตัวนี้ ลิงนี่กลัวมากเหมือนกัน เ, เกิดพบในชาติใดก็ขอให้ให้เป็นลิงไปเล่นละครกับงูเห่าเหมือนกันถ้าว่าข้าพเจ้ากินเนื้บัวบของท่านได้กินของของท่านทางช้างก็บอกว่าถ้าว่าข้าพเจ้าได้ขโมยของของท่านไปกินแม้แต่ครั้งเดียวขอให้ข้าพเจ้านี่เกิดมาเป็นช้างแล้วให้ในายควานช้างเอาขอสับหัวแล้วก็ลากไม้หนักๆทุกพบทุกชาติ แปลว่าเข็ดเหมือนกันเหมือนกันเถอะช้างอ่ะทีนี้ลูกข้าเทวดาที่อยู่ในนั้นเนี่ยมองไม่เห็นตัวเลยลูกข้าเทวดาเทวดาเนี่ยข้าพเจ้าขอสบถเหมืเทวดาว่าเอาใครน่ยข้าพเจ้าเป็นลุกข้าเทวดาเหมืองเอาสบถว่าไรแต่ถ้าว่าข้าพเจ้าขโมยอาหารของท่านหรือเง้าบัวของท่านที่เป็นส่วนของท่านเกิดทุกภพทุกชาติขอให้ข้าพเจ้า ได้เป็นเป็นผู้ดูแลวัดล้างนนให้เป็นผู้ดูแลวัดล้างสมภารตลอดทุกภพทุกชาติเมนนพวกนี้พอ่อฤาษีก็เลยถามวาทำไมทำไมจึงเข็ดขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อสมภารมีบุญหนักสักใหญ่ตายไปแล้วมรณภาพลงไปอย่าข้าพเจ้าเป็นผู้รักษาการโอ้โหดู้สึกว่าทุกจริงจริงเหมือน ถ้าไม่รักษาเขาก็ว่าให้ถ้าไม่ดูแลเขาก็ว่าให้ถ้าไม่รักษาเขาก็ว่าให้ถ้ารักษาก็ไม่รู้จะหาทุนที่ไหนมาซ่อมแซมเดี๋ยวก่อหลังคาลวกเดิวกูกุฏิลวกเดี๋ยวก่าห ล, ลังนั้นมันมีสรพัดเลยมิถันมันค้าคล้าหมดแล้วข้าพเจ้าเป็นทุกข์กับการดูแลเสนาชนะจนไม่มีอันเป็นร่ำเวลาจะมาภาวนาทาจิตใจให้สงบข้าพเจ้า เข็ดที่เป็นสมพานรักษาวัดเก่าเพราะนั้นเกิดพบใดชาติใดขออยาให้ข้าพเจ้าได้ขึ้นเป็นสมพานวัดเก่าอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็เถอะท่าว่าข้าพเจ้าได้เกินเป็นสมพานวัดเก่าอย่างนั้นแต่ถึงยังไวก็เถอยู่ว่ า, า, า, า, า, ารรั้าพเจ้าได้เกจนเป็นสมพานรักษาวัดล้างอย่างนั้นแต่ นี่แหละจากนั้นก็ใครวะจะเป็นผู้เอาขนดาดนั้นจากนั้นพระอินทร์ก็เลยโผล่ออกมาทนี้ข้าพเจ้าเป็นเป็นคนเอาไปเป็นคนขโมยไปอา้าวท่านเป็นใครข้าพเจ้าเป็นอินทาทราชเป็นเท้าสก่าเฮ้เท้าส ก, ก่ากับเราหนึ่งไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนทําไมจึงมาเล่นอย่างนี้ทําไมจึงมาเอาอย่างนี้ ท่านเป็นใครทําไมจึงมาถือวิสาสะมาเอาของอย่างนี้ท่านทําอย่างนี้ได้อย่างไรเราโพธิสัตว์ขู่ว่างั้นนะพระอินทร์ก่อนยอมรับสา ร, รภาพขอรับโทษถึงล้วโทษกันยังไงก็เถอะมันมีอะไรทําไมพระอินทร์ก็บอกว่าที่ข้าพเจ้าลงมาเนี่เพราะว่าข้าพเจ้าหวนวิตกว่าท่านเนี่ยจะปรารถนาอะไรทําไมบรลลังก์ของข้าพเจ้าสะทานหวั่นไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลา เรามองดูแล้วก็คือท่านเองบําเพ็ญตะปะอยู่ในป่าหิมพานแห่งนี้จะไปแย่งบัลลังก์ข้าพระเจ้าหรือเปล่าจะไปแย่งสวรรค์ชั้นราวดึงของข้าพระเจ้าหรือเปล่าพระฤาษีก็บอกามาใช่เราบําเพ็ญตะปะเราไม่ได้ปรารถนาอะไรนอกจากโพธิญาณข้าพระเจ้าปรารถนาพระโพธิญาณคือให้เป็นพระขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าอ ง, องค์หนึ่งในอนาคต อันนั้นคือจุดหมายปลายทางของเราเราไม่ปรารถนาอะไรทั้งหมดนอกจากพระโพธิญาณขอให้ท่านสบายใจได้พระอินทร์ต่อไปนไี้จะมาเล่นกับข้าพเจ้าอีกนะข้าพเจ้าต้องการบ่มเพนภาวน a ท a ทางพระอินทร์ก็บอกอ้าวถ้าอย่างนั้นขอให้ท่านพระฤาษีกับคณะนะต้องการปรารถนาอะไรขอพรจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้ประทานพรสิ่งนั้นให้ พาลืสีก็บอกว่าขอพร อ, อย่างหนึ่งเอาเอาเลยขอได้เลยบอกว่าขอจะให้พระอินมาที่นี่อีกต่อไปจะมาล้อเล่นกับข้าวไปเจ้าพระอินทก็คือพระอินข้าวไปเจ้าก็คือข้าวไปเจ้าอย่ามากใกล้กันอีกเลยท่านั้นแหละพอพระอินทเออผมอยู่ไม่มาอีกครับแต่ผมจะบนรรลบรรดาลให้ผลละมากลากไม้อุดมสมบูรณ์ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง สำหรับพฤษีอยู่ในป่าแห่งนี้ต่อไปผมจะไปแล้วครับพระอินทร์ก็เลยหายเงียบไปเลยไม่มาใกล้อีกเลยในวะ่าชาดกเรื่องนี้ท่านสอนให้รู้ว่านะการอยู่ด้วยกันก็ต้องมีกฎกติกาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นหัวหน้าก็ต้องมองต้องดูนะแล้วก็พร้อม ก, กันก็มาหลวงพ่อสะดุดใจเรื่องเรื่องสมพานเหมั้นกะันเทวดาที่เป็นสมพาน มานึกทีแรกัลกหลวงพ่อเองก็คขำอยู่ตลอดเหมือนกันพอหลวงพ่อไปเห็นวัดต่างต่างขึ้นมาเอ้ยมันมีส่วนจริงๆเทวดาที่รักษาวัวดวาศาสนาเนี่ยพรามันจะต้องดูจะต้องแลจะต้องบำรุงรักษามากต่อมากแต่ละวัดเนี่ยพระหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบองค์สมัยพ่อแม่กูบายจารย์ท่านยังมีชีวิตอยู่พอท่านหลวงรับไปแล้วยังเหลือพระสี่ห้าองค์ ถึงจะดูดแลบํารุงรักษาดีขนาดไหนทุกหลังและใครจะไปอยู่เดีนะ๋ย้มันกรตุกต้องผูกพังไปโดยดีถ้าผ้าผูกพังไปแล้วเสียงสะท้อนย้อนกลับมาเดีนะ๋ยนโอ้สมภารใหม่ดูแลเสนาชนะไม่ไหวเลยย่ําแย่เศร้าหมองไปหมดแต่นี้พอได้ยินสมภารได้ยินสมภารก็รู้สึกว่าจิตใจก็เศร้าหมองไปด้วยอีกเหมือนกันเพราะเขาตําหนิทั้งที่ตัวเองก็ทําอย่างเต็มที่งั้นเพื่อดูแลเสนาชนะ เมื่อดูแลแล้วไม่รู้ใครจะให้ใครไปอยู่แทนเพราะว่ากุติมันมากนเนี่ยเสนาสนะมันมากไงเพราะนั้นความทุกข์ของสมภารเนี่ยหลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วอืมดิทานชาดกเนี่ยเป็นแนวสอนคู่คนได้ได้ดีทีเดียวงั้นแ่ะแต่ถึงอย่างไรยามาเกิดน่ะดีที่สุดนะพวกเราบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่างพรือศีนีพรือศีท่านบําเพ็ญของท่านอย่างอุกฤษแต่ท่านปรารถนา ให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตคือพระโพธิญาณเนี่ยแนหะท่านบำเพ็ญทุกภพทุกชาตใจใจของท่านดิ่งอยู่อย่างเดียวอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราคอคิดปรารถนาไว้ว่าเออข้าพเจ้าทําบุญกุศลถึงจะมากหรือจะน้อยสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ข้าพเจ้าได้คิดได้ทําได้พูดได้ประกอบคุณงามความดีกับสิ่งไหนก็าตามที่เป็นบุญเป็นกุศล ก็ขอให้เป็นเครื่องเกือ้อกูลหนุนข้าพเจ้าให้เดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานขอให้ได้สําเร็จพระอาหารหันต์โดยเร็วด้วยเทินพวกเราคนน่าจะปรารถนาอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่พระพุทธเจ้าถ้าจะบอกทบุญมากน้อยแค่ไหนก็ขอให้สําเร็จพระโพธิญาณให้ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตอันนั้นคือความมุ่งหวังของพระพุทธเจ้านะแต่พวกเราเนี่ยใครจะปรารถนาเอาอะไรนะ ถ้าปรารถนาเอาชวันชั้นพรมในห่างในมีในเศษสวยงดงามอันนั้นไปลว่าปรารถนาอยู่ในวัตตะมันจะบกวนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดนะถ้าปรารถนาบางคนโอถ้าตัวเองไม่ได้ทําจะปรารถนาอะไรไม่ปรารถนาละตามจริงไม่ปรารถนาจะเลยมันก็เหมือนกับไม้ไม้อยู่ในกลางน้นะําเลยมันไม่รู้จะไปทางไหนถ้าตั้งความปรารถนา มันก็จะได้ดิ่งไปข้างใดข้างหนึ่งเราจะได้จากพ้นทุกเนี่เป็นพระหรันเป็นอร拉สาวกเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอะไรจะได้ปรารถนาสิ่งนั้นแต่คือความปรารถนา ค, คือคือความตั้งใจคือตั้งใจจริงนั่นแหลแต่ถ้าว่าผู้ใดปรารถนาอยากจะพ้นทุกในวัตฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นแปลว่าเป็นมรรคเป็นสัมมาทิฐิ แต่ถ้าบอกผู้ได้ปราถนาให้วกพลเวียนเป็นผลมั่งมีสีสุขเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิเป็นอะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าปรารถนาอยู่ในวัตฏะเป็นมิจฉาทิฐิทันว่านะแค่เขาว่ายังปรารถนาอยู่ในบกพนเวียนอยู่ในวัตฏะสงสารมันไม่มีที่สิ้นสุดเนต้องปรารถนาออกจากวัตฏะแหวกวงออกไปวันเดะเข้าสู่แดนอวกาศนะอะอวกาศของจิตอวกาศของธรรมเป็นอมตะาธาตุอมตตธรรม นั่นคือปรารถนาที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิธรรมนะอารับพรอ น, อนโมธนาให้พอ